รู้เฉพาะตนโดยดังตรินตอนไม่อยากจะเชื่อเลยกรณีเฉพาะตนของซารายเออาชีพโปรแกรมเมอร์ลักษณะางานที่ทำเขียนโปรแกรมให้บริษัทบางช่วงต้องหมกมุ่นอยู่กับการคิดแก้ปัญหาให้เพื่อนร่วมงานมากกว่าการทำงานของตัวเองให้เสร็จโดยไม่มีความดีความชอบมากกว่าใครเขา คำถามแรกได้ยินว่าถ้าจะเจริญสติให้ได้ผลจริงต้องมีสัมมาทิฏฐิคือตั้งความเชื่อไว้ในเรื่องการวิบากและนรกสวรรค์กับอดีตชาติเสียก่อนใช่ไหมทุกวันนี้ผมไม่เต็มใจที่จะเชื่อเวลาใครบอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะหลักฐานที่เห็นอยู่ทนโท้คือคนชั่วมันได้ดีส่วนคนดีกลับตกรกรรมลาบาก และเมื่อไม่อาจทำใจให้เชื่อกรรมวิบากที่เห็นได้กับตาบนโลกแล้วจะให้เชื่อนรกสวรรค์ที่มองไม่เห็นได้อย่างไรการเจริญสติตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้านั้นเป็นไปเพื่อเห็นความจริงอย่างที่อริยะเห็นและความจริงที่พวกท่านเห็นก็เน้นเกี่ยวกับกายใจนี้ไม่ใช่นรกสวรรค์ ธรรมชาติอันยอดเยี่ยมที่สุดไม่ใช่สวรรค์นะครับแต่เป็นพระนิพพานและพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดว่าเครื่องมือที่จะพาไปเห็นนิพพานได้แก่กายใจอันตั้งอยู่เป็นปกติธรรมดาของพวกเรานี้เองสิ่งที่เราไม่ต้องแกล้งเชื่อก็คือกายใจเป็นของมันอยู่อย่างนี้ทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงไปหมดนับแต่ลมหายใจอิริยาบถความรู้สึกนึกคิดและสภาวะจิต สังเกตดูตรงไหนก็จะเห็นความจริงตรงนั้นยิ่งสังเกตมากขึ้นเท่าไรก็ยิ่งเข้าใกล้พระนิพพานเข้าไปทุกทีเพราะจิตค่อยๆถอยค่อยๆ ถ, ถอนตัวจากความเชื่อผิดๆว่ากายใจเที่ยงกายใจทนกายใจเป็นบุคคลตัวตนเราเขาสิ่งที่จะทำให้คุณมีแก่ใ จ, จเจริญสติเฝ้าสังเกตกายใจอยู่ก็คือการทำความเข้าใจให้ตรงกับความจริงว่า สุขที่แท้คือการรู้กายใจจนปล่อยวางไม่ใช่ยึดกายใจเหมือนผูกโซ่ล่ามตัวเองไว้กับกองทุกข์ความเข้าใจที่ถูกอย่างนี้แหละครับคือสัมมาทิฏฐิถ้าคุณจะมองสัมมาทิฏฐิว่าเป็นความเชื่ออย่างน้อยก็เป็นความเชื่อที่ตั้งต้นด้วยของจริงคิดตามได้พิสูจน์ได้อย่างรวดเร็วแค่เห็นลมหายใจไม่เที่ยงได้เดี๋ยวนี้ ก็ปล่อยวางลมหายใจได้เดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องรอกันนานหรือถ้าดีกว่านั้นถ้าคราวหน้าพอโกรธใครแล้วเห็นโทสะโดยความเป็นของเกิดขึ้นด้วยเหตุแลดับลงได้เองเป็นธรรมดาเหมือนกองไฟค่อยๆมอดลงเมื่อหมดเชือ้อคุณก็จะหายโกรธด้วยอีกวิธีหนึ่งที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงคือหายโกรธอย่างรู้ว่าหายโกรธไม่ใช่หายโกรธแบบมึ น, มน ไม่รู้ไม่เห็นดังเคยโกรธอย่างรู้และหายโกรธอย่างรู้จะนําไปสู่ความรู้ประจักษ์ว่าจิตมันโกรธไม่ใช่มีตัวคุณเป็นผู้โกรธจิตมันอึดอัดเป็นทุกข์ไม่ใช่มีตัวคุณเป็นคนทุกข์ความโกรธเกิดขึ้นด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเป็นธรรมดาเมื่อเหตุนั้นดับลงความโกรธก็ย่อมดับลงตามเป็นธรรมดา ไม่ได้มีใครอยู่ตรงนั้นจะเป็นขณะไฟโกรธกำลังลุกโลงหรือมอดดับลงหากมีแรงผลักดันมากพอค่อยๆดูเข้ามาในกายใจไปเรื่อยๆนานเข้ากายใจก็ปรากฏชัดขึ้นตามวันเดือนปีที่ผ่านไปและแล้วในที่สุดก็อาจถึงวันที่คุณสามารถมองชีวิตโดยรวมเป็นภาวะอะไรก้อนหนึ่งมีจุดเริ่มต้นมีจุดสิ้นสุด ด้วยสติที่เจริญขึ้นเต็มที่จิตใหญ่จนเห็นรูปชีวิตเป็นของเล็กเป็นเพียงนิมิตที่รู้ได้ด้วยจิตตรงนั้นคุณจะเริ่มสำเนียกทราบว่าต้องมีเหตุปัจจัยอื่นในอดีตที่เป็นตัวกําหนดให้มาเข้าท้องพ่อท้องแม่คู่นี้และตกแต่งรูปชีวิตให้ได้ดีหรือตกยากหยาบหรือประณีตปัจจัยในอดีตที่ว่า ก็คือภาวะก่อนเกิดเป็นกายนี้ซึ่งก็คือกายอื่นมีพฤติกรรมแบบอื่นหรือกรรมอันเป็นขาวเป็นดำสอดคล้อง ก, กันกับอัตภาพปัจจุบันและแม้กายใจอื่นอันเป็นของที่ถูกลืมทิ้งไว้ในอดีตก็มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเช่นกันกายใจก็เหมือนภาวะทางธรรมชาติทั้งหลาย ที่คลี่คลายจากสภาพหนึ่งไปสู่สภาพอื่นอยู่ตลอดเวลาสืบทอดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่หาจุดเริ่มต้นไม่เจอและหาที่สุดมิได้วนเกิดเวียนตายรอให้หลงยึดว่าเป็นเราจนกว่าจะมีสักกายใจหนึ่งที่ได้รับการช่วยเหลือชี้ให้เห็นว่ากายใจไม่ใช่เราและมีแก่ใจพอจะเจริญสติรู้กายใจกระทั่งประจักษ์แจ้งความจริงว่า กายใจไม่ใช่เราจริงๆด้วยนั่นเองจึงถึงจุดจบของภาพลวงตาเฉพาะตนสรุปคือตอนนี้ไม่ต้องหลอกตัวเองให้เชื่อทั้งที่ยังไม่อยากเชื่อเพียงยกเอาของจริงตรงหน้ามาเป็นตัวตั้งสติเมื่อสติเจริญก็จะเห็นของจริงที่เหลือไปเองครับหวังว่าคงสบายใจพอจะเริ่มลงมือได้แล้ว แต่ถ้าอยากเรียกร้องให้ชาวพุทธเลิกเชื่อนรกสวรรค์ทั้งหมดเสียก่อนคุณจึงจะลงใจพอจะเริ่มปฏิบัติอันนี้ก็คงต้องยุติแค่ที่ความเชื่อเฉพาะตนคงไปให้ถึงความรู้เฉพาะตนไม่ได้เช่นกันคำถามที่สอง เป็นคนที่เจอเหตุการณ์แย่ๆหรือร้ายๆบ่อยมากทำให้มองอะไรไม่ดีไปหมดใครเข้ามาในชีวิตก็นึกไว้ก่อนว่าจะมาหาประโยชน์จากเราทั้งที่เราก็แน่ใจว่าแต่ไหนแต่ไรไม่เคยคิดเอาเปรียบใครเช่นนี้จะให้เจริญสติด้วยวิธียอมรับความจริงว่าชีวิตต้องเจอแต่เรื่องแย่ๆต้องรู้สึกแย่ๆเสมอใช่ไหมสิ่งที่ผมเชื่อก็คือ เราควรโต้อตอบกับคนที่ร้ายกับเราเสยบ้างไม่เช่นนั้นเขาคงได้ใจและเอาอีกและถ้ายังต้องโต้อตอบกับพวกร้ายๆแบบสมน้ำสมเนื้อชาตินี้ผมคงไม่มีวันได้เป็นอริยะบุคคลอยู่ดีคุณโต้อตอบกับคนที่ร้ายกับคุณได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่จำเป็นต้องโกรธหรืออาจโกรธแต่ก็เอาความโกรธมาดูให้เห็นความไม่เที่ยงได้การเจริญสตินั้นต้องเป็นไปด้วยท่าทีของอริยะคือมีพฤติกรรมเยี่ยงอริยชนไม่ใช่อนารยชนก็อริยชนเขาคิดพูดและทำกันอย่างไรตั้งต้นกันที่ความคิดคือไม่อยากเบียดเบียนใครเมื่อใจไม่อยากเบียดเบียน ยอมพูดจาและกระทำการโดยละม่อมเป็นไปเพื่อความปรองดองไม่ใช่เพื่อการทำร้ายร่างกายหรือกระทั่งจิตใจใครเมื่อเกิดเรื่องเมื่อถูกเบียดเบียนถูกเอาเปรียบก็พูดจาและกระทำการเพื่อเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้โดยเลือกที่จะเป็นน้ําเย็นสลายคราบสกปรกมีใช่ไฟทาลายล้างสิ่งที่ขวางหูขวางตาตรงหน้าให้สิ้นซาก พฤติกรรมเยี่ยงอรยะชนไม่ได้เกิดจากสัญชตาตญาณที่ติดตัวมาแต่ต้องเกิดจากการตั้งความเข้าใจไว้ให้ถูกว่าการทำดีย่อมได้ดีที่ใจอย่างน้อยที่สุดใจก็ใสพอจะเจริญสติสามารถเห็นความไม่เที่ยงของไฟโทสะแล้วก็สามารถเห็นทางออกที่ดีที่สุดของปัญหาเฉพาะหน้าอานาระยะชนย่อมอ่านตัวเองไม่ออกจิตใจขุ่นมัว ห่อหุมด้วยความอาฆาตพยาบาทซึ่งก็แปลว่าความโกรธจะไม่หายไปให้ดูและประตูทางออกที่ดีก็จะไม่เปิดให้เห็นด้วยนี่ก็เป็นอีกความเข้าใจหนึ่งที่ไม่อิงความเชื่อใดๆเมื่อจเจริญสติจนแยกแยะออกว่าวิถีแห่งอรารยะและอนาระยะแตกต่างกันอย่างไรก็จะเกิดความฉลาดทางจิตเลือกดำเนินตามวิถีแห่งอรารยะมากขึ้น เป็นผลให้สติเจริญยิ่งยิ่งขึ้นกระทั่งถึงซึ่งความเป็นอริยะบุคคลในวันหนึ่งเห็นไหมครับอะไรอะไรเริ่มต้นจากความเข้าใจให้ถูกต้องทั้งนั้นเลยแล้ววันหนึ่งเมื่อเข้าใจถูกต้องตรงจริงเสมอกับอริยะบุคคลคุณก็เป็นหนึ่งในผู้มีสิทธิ์เป็นอริยะบุคคลแบบไม่ต้องรอเงื่อนไขชีวิตแบบใหม่แต่อย่างใดทั้งสิ้น บทความจากนิตยสาราธรรมะใกล้ตัวฉบับที่40อ่านโดยโจโฉ